มันก็แบบรบกวนผู้ที่เขาต้องการความสงบเพราคนที่ภาวนาจริงๆแล้วเขาไม่อยากเจอเสียงเสีกับใครอยากจะอยู่คนเดียวเพราะว่าเวลาอยู่คนเดียวอี่แล้วก็มีสถานที่แบบนี้มันไม่มีอะไรเข้าไปทำให้จิตใจก็เพื่อจิตใจเราก็เปียบเหมือนกับบ่อน้า ถ้ามีคนเข้าไปอาบน้ำไปตากไปเล่นน้ำน้ามันก็ขุ่นน้ามันก็ไม่นิ่งจิตของเราถ้าต้องรับสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสปวดกัะพาะต่างๆมันก็จะต้องมีการกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาเวลามันกระเพื่อมมันก็ไม่สงบมันไม่นิ่งเวลาไม่สงบไม่นิ่งก็จะไม่เห็นความสุดความประเสริฐของความสงบ ความอิ่มเอิบใจความพอใจที่เกิดจากการทั้งความสงบของจิตดังนั้นคนที่จะภาวนาจริงๆแล้วเขารู้ว่าเขาต้องการสถานที่แบบไหนเขาไม่ต้องการทว่วแสงสีเสียงไม่ต้องการเพื่อนไม่ต้องการคนนั้นคนนี้มาแกล้งเหงามาคุยแกล้งเหงากันเพราะจิตที่มันเริ่มเข้าสู่ความสงบแล้วมัน แต่มันค่อยคิดถึงอะไรเพราะว่าจิตสงบนี่มันไม่ปุ่งแต่งนี่น เ, เวลาจิตไม่สงบมันก็คิดไปเรื่อยๆคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาคิดในเรื่องที่เราเคยมีความสุขแล้วเราถนัดที้ไม่มีความสุขก็ทําให้เรามีความเศร้าสร้อยหงอยเหงาอยากจะหัวนกับไปหาความสุขแบบ น, นั้นอีกเช่นถ้าเรามีความสุขกับการอยู่กับเพื่อนกับสูง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 กลับไปหาเพื่อนหาคุณหากิจกรรมต่างๆนั้นทาแต่ถ้าเคยได้ฝึกจิตมาก่อนแล้วสามารถทําจิตให้สงบได้เวลามาอยู่สถานที่แบบนี้มันจะไม่ค่อยคิดถึงเรื่องราวเหลนะ่านั้นเพราะมันมีงานทําอยู่มันรู้ว่าหน้าที่ของของของตอนเองนั้นต้องทาอะไรก็คือควบคุมสังขารความคิดฟวงของเราเนี่ยความคิดของเรานี่ ที่ท่านบอกว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลก็อยู่ที่ความคิดเราที่พระท่านสอนในงานศักดิ์สลาธรรมะอกุศลาธรรมะปัปยากตาธรรมะก็หมายถึงความคิดปรงแต่งของจิตซึ่งเป็นไปได้ตามทิศทางด้วยกันคิดไปในทางากุศลก็ทําให้จิตสงบถ้าคิดไปในทางอากุศลก็ทําให้จิตคุ้งซ่านเกิดความทุกข์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 ทอรทัศบ้างทางอะไรบ้างอะไรถ้าคิดไปในทางนี้ทางทางของการปฏิบัติเราเรียกว่าเป็นอกุศลเพราะมันไปทำให้จิตนั้นเกิดความหิวเกิดความอยากไม่สามารถที่จะอยู่เฉยเยได้ต้องตะเกียกตะกายไปหาสิ่งเหล่านั้นมาทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ทำไปก็ระงับความอยากได้เชื่อ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 ถึงเวลาที่มันน่าจะพอได้แล้วนะมันจะไม่มีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นไปในจิตเพราะธรรมชาติของความอยากนั่างที่พระองค์ทรงแสดงไว้ว่ามันไม่มีขอบไม่มีฝั่งไม่มีฝามหาสมุทรนั้นมันจะใหญ่ตัวกวา้วางขวางขนาดไหนมันยังมีขอบมีฝั่งแต่ความอยากนี่หาขอบเขตไม่ได้คือไม่มีที่สิ้นสุดอยาก แล้วมันจะต่อไปเรื่อยๆมันจะต่อแล้วจะขยายตัวเพิ่มความรุนแรงมากยิ่งขึ้นไปที่เราเคยได้ยินเขาพูดว่าได้คือก็ อ, อ, อยากจะเอาสอบได้สอบก็อยากจะเอาวาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ความอยากมันจะทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆแล้วใครเราจะต้องมาเหนื่อยยากกับการสนองรับตอบรับความอยากก็คือจิตของพวกเราจิตของพวกเราก็ต้องทอไป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 ความอยากทั้งสามประการนี้เจ่ดอยากในกางก็คืออยากในรูปเสียงก ล, ลิ่นรสปวดสะพ้าต่างๆที่คนส่วนใหญ่ในโลกนี้อยากกันเพราะนี่เป็นโลกของของของกลางกางนั่นเองเขเรียกว่ากางมลโลกการมลโลกนี้ก็มีมีเป็นที่เกิดของสัตว์โลกที่ยังมีความอยากในกางอยู่ซึ่งก็แบ่งเป็น ส, สองส่วนด้วยกัน ส่วนที่ดีกับส่วนที่เลวส่วนที่ดีหมายถึงสัตว์โลกที่หาความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกินรส ด, ด้วยการประพฤติ ท, ที่สุจริตคือไม่ไปร่วงเกินไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นหามาด้วยด้วยความสุจริตอยู่ในศีลอยู่ก็ อ, อีกพวกหนึ่งที่หามาด้วยความไม่สุจริตคือพวกที่เบียดเบียนผู้อื่น เช่นพวกสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้เป็นต้นเขาอยากจะได้อะไรเขาก็ไม่คำนึงถึงว่าสิ่งที่เขาจะเอามานี้จะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นหรือไม่พวกนี้จึงต้องไปเกิดเป็นสิงสารสาัตว์หรือถ้าหนักกว่า น, นั้นก็เป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างหรือเป็นสัตว์นรกบ้างนี่เป็นสัตว์ที่เสกกรรมส่วนเลวส่วนหยาก ส่วนสัตว์ที่เสพกลกามส่วนละเอียดก็พวกมนุษย์ที่มาเกิดในโลกนี้แล้วก็พวกเทพทั้งหลายตรกนี้เป็นสัตว์ที่ยังเสพกลามอยู่พวกมนุษย์นี้เสพการามส่วนหยาบคือที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายพวกกายกายหยาบเช่นร่างกายของเหล่านี้ส่วนพวกเทพนี่เขาเสพกล้ารูปเสียงกลิ่นรสสัตวาแบบละเอียดเี่เรียกว่ารูปทิบเสียงทิฏ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 ถ้าขายับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็เป็นพวกที่ละความอยากไงการ ม, มาตัญหาได้กาในเรื่องของการรูเสียงกิจลดได้ก็พวกที่ถือสินแต่พวกที่ปฏิบัติเนคขมนับบวดทั้งหลายพวกนี้เขาจะ <c oughs> ไม่ไปหาความสุขจากการดู <c oughs> การฟัง <c oughs> การสัมผัสทางทวารทั้งห้าแต่หันมา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 พวกที่ต่ำสุดก็อย่างพวกที่เกิดในอบายทั้งหลายนี้หาความสุขโดยโดยการเปลี่ยนเปลี่ยนผูพ้พวกที่สูงกว่านี้ก็พวกมนุษย์พวกเทพก็หาความสุขจากการทําบุญทําทานรักษาศีลพวกนี้ก็มีความสุขในระดับหนึ่งแล้วพวกที่หาความสุขที่สูงกว่านี้คือเห็นโทษของการมรสุขคือเห็นว่าการเสกการมรสุขนี้ก็มีทุมีทุกตามมา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 ก็มีสอนบอกว่าก็หาความสุขจากการทำจิตใจให้สงบพวกนี้ก็เลยออกบาเพ็ญตบะกันอยู่ในป่าในเขาอยู่ตามวัดตามมาตามสำนักแล้วก็ควบคุมเรื่องการการสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพะไม่ให้สัมผัสเพื่อความสุขรับประทานอาหารก็รับประทานอาหารเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ไม่ได้รัก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 ขอให้อาหารที่รับประทานนะั้นมันสะอาดรับประทานเข้าไปแล้วมันไม่ทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บรับประทานเข้าไปแล้วทําให้ดับความหิวที่มีในร่างกายของตนได้ก็พอเพียงแล้วก็รับประทานพอประมาณไม่จำเป็นที่จะต้องรับประทานมากนักเพราะไม่ได้หาความสุขจากการเสัสมผัสพวกรสชาติต่างๆที่มาสัมผัสกับลิ้นกับตากับจมูก เราประทานเหมือนกับรับประทานยาแเรับประทานยานี้เราก็ไม่สนใจว่ายานี่จะต้องมีรสชาติอย่างไรเราก็เพียงแค่กินๆหนึ่งเข้าไปเพื่อให้มันได้เข้าไปทําหน้าที่ฝังหมันเข้าไปรักษาโรคยารักษาโรคภัยคือพวกเชื้อโรคที่มีอยู่ในร่างกายอาหารก็รักษาโรคที่เกิดจากความหิวจากอารหาดขาดอาหารเท่านี้ก็คือคือคือการเสิ่สัมผัส ข, ของพวก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 แต่เรื่องเหล่านี้สําหรับผู้ที่สว่างหาความสุขที่เึกกว่านั้นละเอียดกว่านั้นคือความสุขภายในใจจะไม่ให้สางความสัมพันธ์กับเรื่องเสื้อผ้าแบบสีสันอะไรต่างๆใส่ไปเพื่อปกปิดร่างกายเท่านั้นเองป้องกัน ร, ร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้ถูกมแมลงสาบกับต่างๆมากัดมาต่อยป้องกัน ร, ร่างกายเท่านั้นเอแล้วก็ ไม่จำเป็นที่จะต้องแต่งหน้าทาปากใช้เครื่องสำอางหรือใช้ยาน้ำหอมอะไรต่างๆอย่างนี้เพื่อมาปกปิดกลิ่นของร่างกายเราโดยธรรมดาร่างกายของเราถ้าไม่ได้รับการชำระล้างมันก็ต้องมีกลิ่นที่ไม่ปราถนาออกมาแต่ทางนักปฏิบัติก็จะใช้การชำระด้วยการอาบน้าใช้น้ำาป่าหรือกระหสบุที่ไม่มีกลิ่น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 เพื่อเป็นไปตามความต้อ ง, างการของความอยากแต่ถ้าจะต้องเสพต้องสัมผัสก็ก็ทําไปด้วยความจําเป็นเช่ น, นคนเรายัางไงจะยังไงก็ต้องรับประทานอาหารอยู่ดีต้องดื่มน้ําแต่เรา ร, าา ร, แบบราับประทานอาหารแบบเ้ารับประทานยาเดื่มน้ําก็ดื่มน้ําเพื่อเหมือนเดื่มยาไม่ต้องเป็นน้ําที่มีรสมีชาติบางทีน้ำปเปล่าคนที่มีความติดอยู่ในกามาสุขจะดื่มแล้วไม่สดชื่น ต้องดื่มน้ำที่มีรสชาติหวานมันเปรี้ยวหวานมันเค็มถึงจะมีความสดถึงเหล่านี้ผู้ที่แสวงหาความสงบสุขของจิตใจจะหลีกเลี่ยงถ้าหลีกเลี่ยงเหล่านี้ได้แล้วเวลาภาวนามันจะง่ายกับต่อการสงบใจต้องเข้มแข็งเพราะการมาฉันทะนี่ก็เป็นหนึ่งในนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าก็คืออุปสรรคที่ขวางกั้นที่ไม่สามารถทาให้ใจ เล็ดลอดเข้าไปสู่ความสงบได้เป็นเหมือนกำแพงขวางกั้นอยู่นิวรนนี้ก็มีอยู่ห้าชนิดด้วยกันการมาชันทะนี่ก็เป็นอันหนึ่งในนิวรนห้านอกจากนั้นก็ยังมีวิจิกิจฉาความสงสัยสงสัยเรื่องราวต่างๆภาวนานั่งภาวนาไปเดี๋ยวก็คิดเรื่องนี้นเรื่องนี้แล้วก็ถามสงสัยว่าพุทโธพุทโธคำเดียวนี้มันจะทาให้จิตเราสงบได้หรือ พระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าธรรมะที่ท่านสอนนี้มีจริงหรือเปล่าพระสงฆ์อริยะมีจริงหรือเปล่าหรือสิ่งเหล่านี้เขาสมมติกันขึ้นมาหลอกให้เรามานั่งทําจิตใจให้สงบแล้วทําไปจนวนตายก็ไม่สงบสักทีถ้ามีความสงสัยเหล่านี้แล้วจิตนั้นก็จะลังเลเวลาภาวนาะก็จะไม่ไม่ตั้งจิตตั้งใจเอาจริงเอาจังเกิดอาพุโทโธพุโทโธนี้ก็มันไม่มีศรัทธายอย่างนั้เมื่อไม่มีศรัทธาแล้วมันทําไปมันจะไม่เกิดผลขึ้นมา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 เวลาเราภาวนาแล้วก็ยึดกับคําว่าพุโทโธคําเดียวไปเลยไม่ต้องวัคิดให้มันเสียเวลาเรามีสติกํากับอยู่ไม่ช้าขนาดพุดโทโธมันก็จะพาจิตเราทะลุมิวร์ตั้งห้านี้เข้าสู่ทางถนัดได้มิวร์ก็กรรมฉันทะมีวิธิกิจฉาความสงสัยความง่วงเหงาเหานอนก็ต้องอาศัยการการรับประทานอาหารพอประมาณอย่าไปรับประทานอาหารมาก ให้เ ข, เข้ามาก็ได้เลยเวลเข้ามาได้เลยอวลาเชิญเชยญเราก็คุยไปไม่มีอะไรหรอกก็คุยไปเรื่อยๆกรรมาฐานแบบธรรมชาติเนี่ยก็เท่าก่อนที่อาจารย์พูดถึงสมุทัยสามอย่า ง, งกับกรรมะตัญหาเพระตังหาวิภาระตัญหาเกลับไปทบทวนฟังดูแล้วเนี่ย มันชัดเจนเรื่องการมาตัณหาแต่ว่าภ า, าวะตัณหาหรือภาพตัณหานี่ก็คงจะเป็ารขยาย<ห>ความภาวะตัณหาก็คือความอยากมีอยากเป็นเนโดยธรรมชาติของคนเราเมื่อเกิดมาในเบื้องต้นสิ่งแรกที่อยากจะมีก็คือความพร้อมในปัจจัยสี่คือไม่อยากจะอดอยากขาดแคลนเมื่อเรามีความพร้อมในปัจจัยติแล้วขั้นต่อไปก็อยากจะมี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 แล้วอยากจะเป็นอย่างอื่นนี่ก็เรียกว่าภาวะตัญหานะครับนี่หมายถึงพูดถึงทั่วๆไปเนีบางทีเราอาจจะสับสนนักคนที่อยากจะเป็นพระอรหันต์นี้เป็นเป็นกิเลสหรือเปลอันนี้ไม่ใช่เป็นปัญหาเพราะว่าการเป็นอยากจะเป็นคนดีเป็นพระที่ดีเป็นคนเป็นพระอริยคนนี้มันเป็นเหมือนกับคนไข้ที่อยากจะหายจากโรค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 ส่วนวิภาวะตันหาก็หมายถึงความไม่ต้องการที่จะเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เช่นคนเราไม่อยากจะยากจนอันนี้ก็เรียกว่าวิภาวะตันหะแล้วขณะนี้ไม่จนแต่ก็ต้องกลัวละกลัวว่าพรุ่งนี้จะจนอย่างนี้ก็เรียกว่าพอเรากลัวปั๊บมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่กลัวความจนคือเราขาดนี้เรามีอยู่มีกินแต่เราก็หัดอยู่แบบคนจนอยู่บ้างฝึกไว้เช่น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 ทำอะไรก็ทําได้เท่งนั้นถ้าตราบใดามันไม่ผิดศีลผิดธรรมมันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนี่คือการฝึกอยู่ต่อสู้กับไอวิภาควาตัญหาตัวเนี้ยที่เรามาฝึกอยู่แบบเรียบๆง่ายๆเพื่อเราจะได้ไม่ต้องกลัวความจนโจยสมมติว่าถ้าเกิดเราทุกนี้เกิดเราหมดเนื้อหมดตัวเราบอกไม่เดือดร้อนไปอยู่วัดได้ไปอยวัดได้ไปโกนหัวไปอยู่เป็นแม่ทีเป็นพระอะไรก็ได้เพราะเราไม่ไม่กลัวความจน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 แตกต่างกันที่จิตใจของท่านใจของท่านท่านภาวนาท่านกําจัดไอกัร ห, หาทั้งสามได้กรรมฐันหาภาวะฐานหาวิภาวะฐาหาทอให้จิตใจท่านนิ่งได้ตลอดเวลาไม่แกว้งไปแกว้งมาถ้าเป็นลูกตุ้มนาฬิกาก็นิ่งอยู่เฉยๆอยู่ตรงกลางไม่แกว่งไปไม่ว่าจะโดนอะไรมากระทบรุนแรงขนาดไหน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 หลัสุดร่างกายนี้มันก็ต้องแยกครับตาไปสู่ดินสู่น้ําสู่ลมสู่ไฟเียงแต่ว่าร่างกายนี้เราสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้ประโยชน์สองทางประโยชน์ทางโลกกับประโยชน์ทางธรรมถ้าเราโชคดีได้เจอาศาสนาเราก็เอามาใช้ทางธรรมมันก็ทําให้จิตของเราที่พนไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิเดกต่อไปถ้าไม่เจอาศาสนาก็อย่างมากก็ใช้ประโยชน์ทางโลกคือเอามาทํามาหากิน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 คลายความยึดมั่นถึงมั่นเงินในทองนั่นเองถ้าเราไม่ไปทำํำเราก็ยังมีความห่วงใหญ่มีความเสียดายอยู่เวลามันเกิดหายไปหรือสูญเสียไปก็จะนําความทุกข์มาให้กับเราแต่ถ้าเราไปทําบุญทำทานช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทําให้สังคมนั้นอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขเราก็มีความสุขเราก็ไม่ต้องมีภาระกับไอเงินทองก้อนนั้นต่อไปแล้วเราก็จะคลายความโล้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 เราไม่ได้ให้เขาเขาก็โกรธแค้นโกรธเครืองอย่างนี้เป็นต้นแล้วสู้อา้าวไอยากจะได้อะไรให้ก็ไปหมดนะเราไม่เอาอะไรเอาตัวเร า, าตัวเดียวเพรสิ่งเดียวที่เราอยากจะได้ก็คือเวลาเั้านี้ขอให้เรามีเวลาเป็นตัวของเราเองที่เราสามารถที่จะมาบำเพ็ญทานสิงภรรนาถ้าเราให้ทานไปแล้วหมดไปแล้วก็หมดปัญหาไปเวลาเราบวชนี่เราเรื่องของฐานก็หมดหมดภาระไปแล้วเพราไม่มีอะไรจะให้แล้ว หลวเป็นพระก็มีสมบัติอยู่แค่แปดชิ้นนั้นอที่เรียก บ, บรยฐานแปดก็มีงานสองงานก็คือศีลกับภาวนาศีล ส, สมาธิปัญญาศีลก็พรวินัยสอง้อยี่บเ็ดข้อก็รักษาไปพระวินัยมีไว้เพื่อที่จะตรลอมเป็นเป็นเหมือนรัว้วการไม่ให้กิเลสมันออกไปไกลเวลากิเลสมันออกไปไกลแล้วจะดึงตัวมันกลับเข้ามาจิตดึงดึงตัวมันกลับมาให้มันสงบนี้มันเหนื่อย แต่ถ้ามันอยู่ในคอกเล็กๆมันจับมันง่ายทําให้มันสงบง่ายิ้มท่านนึงเรียกว่าเป็นเป็นเครื่องสนับสนุนสมาธิแล้วเพราะว่าถ้ามีสีแล้วเวลาจะทําจิตใจใสงบนี่มันมันง่ายมันง่ายกว่าคนที่ไม่มีสีเมื่อมีสมาธิแล้วมันก็จะสามารถทําให้เราเห็นเรืองเข้าใจเรื่องตายรักได้เรื่องอนิจังทุกขังอนาาัตตา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 ที่จะพาเราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้การศึกภาวนานี่มีไว้ก็เพื่อที่จะมาชำระตัณหาทั้งสามนี้คือกามตัณหาปาวะตัณหาอิปาวะตัณหาถ้าชำระได้หมดสิ้นจิตก็สะอาดโดยสุดจิตก็หลุดพ้นจิตก็ไม่มีตัวที่จะคอยไปเ อ, อสร้างภพสร้างชาอีกต่อไปอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงบุทานไว้ว่า ผู้ที่สร้างพบสร้างชาตินี้เราเจอตัวมันแล้วแล้วเราได้ทำลายมันหมดขึ้นไปแล้วมันไม่สามารถที่จะมาสร้างพบสร้างชาติให้กับเราได้ต่อไปแล้วก็คือความหยาดทั้งสามประการนี้ดังนั้นพวกเราที่เป็นชาวพุทธเราได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เจอพระพุทธศาสนานี่เป็นโชคสองชั้นด้วยกันาการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่ก ง, ง่ายมนุษย์เรานี่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 ด้วยการบำเพ็ญทางศีลภาวนา น, นี้เท่านั้นแหละเป็นทางเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นทําได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ขอให้ทําไปเถอะอย่าไปเสียดายชีวิตอย่าไปเสียดายอะรอังสิน้นอย่างที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ว่าให้สละด๊กเพื่อรักษาอวัยวะให้สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตให้สละชีวิตเพื่อรักษาธรรมธรรมนี้เท่านั้นที่จะพาให้เราไปสู่สุคติไปสู่ความหรุ่งท้นจากความทุกข์ทั้งประ ทุกประการนัดได้ก็ขอฝากเรื่องราวาการบำเพ็ญทางศีลสวารเนี่ยมีให้ท่านทั้งหลายนำมาไปประพฤติปฏิบัติต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่แล้วท่านจะไม่ผิดหวังว่าการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาการแสดงก็เห็นสมควรแก่เวล า, าขอยุดติดในเพ็ญธรรมีสาธุ ให้พอเลยหรือ่าเนี่ไม่ได้หอกจันทีเราโยมเนี่ยทำบุญให้ทานนะฮะออก็ต้องยังทำงานอยู่แล้วก็อยากจะทำงานแล้วหางเงินได้เยอะมาทำบุญนะฮะอันนี้ถือเป็นภาวะตันหานะฮะแม่มก็มันหลงอ่ะเพราะว่า<ม>ทานนี้ให้ทำในสิ่งที่เรามี มาให้ไปหามาทําำยังมันก็วนอยู่นั่นเน่ยการไปหานี่ก็เป็นความโลภแล้วอยากได้มาเยอะๆเพื่อจะไปทําบุญอะไรเงี้ยงั้นผิดแล้วผิดแล้วให้ทําในสิ่งที่เรามีหรือที่บอมีอยู่แล้วก็กลัวมันจะหมดดอกเบี้ยดอกเบี้ยลงก็แบบกลัวจะหมดแล้วเีจะกลัวจะไม่มีกินอะไรเงี้ยก็เป็นวิภากษ์ปัญหาวิพากษ์ปัญหาต้องไม่กลัวว่าไม่มีกินก็ตายไม่มีกินก็ตายไม่มีกินก็ตายจะตายช้าตายเร็วท่านต่างกันแค่ตรงนั้นเอง แต่นี้ไม่พ้นเรื่องการตายเพราะฉะนั้นถ้าใครมีมากพอแล้วเพื่อดูดวงชีพอยู่ได้พอที่จะภาวนาได้ก็น่าจะพอแล้ว ไ, ไม่ต้องมาทำมหาวิา้องดิ้นรนหล็กมาก่อยมันไปเสียเวลาเปล่าๆ ม, มันไม่เป็นทางตรงมันเป็นทางอ้อมไปหาเงินมาเพิ่มแล้วมาทำํำบุญชาติหน้ามันก็รวยขึ้นหน่อยรวยขึ้นก็เก่ า, กาแต่มันยังต้องกลับมาเกิดอีกแทนที่จะตัดภพตัดชาติในชาตินี้ได้เลยก็ไม่ตัดต้องไปวนอีกหลายรอบ แต่ไม่จะเอาเวลาไปทำงานห า, า, าเงินมันทําภาวนาดีกว่าอภาวนาดีกว่าบวชเลยรักษาศีลได้ภาวนาได้มันดีไม่ดีชาตินี้ก็จบได้ไม่ต้องไปวนอีกหลายร้อยชาติ <c oughs> เหมือนกันมันได้อยู่ที่หญิงที่ชายอยู่ที่จิตเพราะในจิตนี่มันมีกิเลสเหมือนกันเท่ากันแล้ว เ, เราสร้างธรรมะได้เท่ากันเพียงแต่ว่าสถานที่การบําเพ็ญนี่อาจจะลําบากหน่อยสําหรับผู้หญิง แต่ก็มีที่สถานที่สำนักสงฆ์สำนักปฏิบัติครูบาอาจารย์คุณแม่แก้วสั้นยังมบรรลุได้เห็นไะมมันอยู่ที่เราอะ่ะมันไม่อยู่ที่จิตเนี่ยถ้าจิตมันพุ่งไปแล้วมันไม่มีอะไรหยุดหยุดมันได้แบบแต่ถ้าจิตมันไม่พุ่งมันก็ไม่มีใครฉุดชากลากไปได้เหมือนกันอยู่ที่ตัวเราที่เราจะต้องผักมันไปให้ได้จะถักไปได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่ที่ความขวนขวายถ้าไม่รู้ก็ต้องศึกษาให้ ม, มากๆ อ่านนังสือฟังเทศฟังธรรมเรื่อยๆฟังแล้วก็ต้องเอามาปฏิบัติ ด, ด้วยอย่างธรรมาตอนต้นที่ได้สัมผัสกับธรรมะจริงๆ ก, ก็อ่านหนังสืออยู่ประมาณสักสองสามสามสี่เดือนเนาะก็อ่านเรื่องทานสีงฆาวนาเนี่ยเรื่องสมาธิเรื่องวิปนะัสสนาอะไรแต่ไม่ได้นั่งสมาธิสักทีแลอยู่ดีวันดีวันเนึ่ยมันก็นึกได้ว้อาอ่านมาต้องนานแล้วนะธรรมไม่ได้นั่งสักทีก็เลยวางหนังสือแล้วก็นั่งมันเลย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 นั้นได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยต้องเอาไปทําเสียทําให้เธออาจจะไปเสียได้เงินทองเนี่ยมักลับไปนั่งคิดเลยบวกลบคูณหารท่านอาจารย์แปดปีแรกของท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ทำความเพียรอย่างอุกฤษเลยใช่ไหมคะคือที่ที่อยู่ที่บ้านตากเนี่ยก็ไม่อุกฤษเลยทำทำตามกําลังของเราดีกว่าพูดคําว่าอุกฤษแล้วแหมมันเดี๋ยวมันกลายเนเพราะคนที่เขาอุกฤษกันแล้มันอยู่เยอะ ก็มัชชิมาของแต่ละคนนี้มันไม่เหมือนกันนะคือเราทําเต็มที่ของเราก็แล้วกันคือถ้าเป็นรถยนต์เราก็เหยียบมันสุดคันเร่งอ่ะนะแต่มันจะเร็วกับคนคันอื่นเข้าหรือไม่หรือช้ากับคันอื่นนี้มันไม่เหมือนกันเพราะรถแต่ละคันมันซีซมันไม่เท่ากันนะรถดามันร้อยห้าสิบซีซีไปเจอรถสองร้อยห้าสิบซซมันก็สุดคันเร่งด้วยกันแต่เขาก็ต้องไปเร็วกว่าเราอ่ะแต่เร็วช้าก็มันก็ต้องถึงที่หมายด้วยกันอย่างเมื่อกี้มาใช่ไหม มาสามคันสี่คันมามาถึงก่อนสามคันอีกคันนึงแวไปหลงผิดทางเข้าก็มาช้าหน่อยแต่ถ้าไม่ยอมแพ้มันก็มาได้มันก็มาถึงได้แต่พวกที่มาที่หลังเกิดท้อแท้ใจโอ๊ไปไม่ถูึงก็กลับกรุงเทพเลยดีกว่ามันก็มาไม่ถึงใช่ไหมดฉะนั้นการปฏิบัติเราอย่าท้อแท้แต่เราจะต้องเจออุปสรรคเราจะต้องจัดความรู้สึกเบื่อนหน่ายท้อแท้บ้างแต่ก็อย่าหยุด คืออาจจะพักได้บ้างเอาวันนี้เบาหน่อยวันนี้ภาวนาไม่ก็ได้เรื่องก็เบาหน่อยว่าอ่านหนังสือแทนหรือทําอะไรเพราะบางทีเราไปบีบ ม, มันมากๆกดมันมากๆ ม, ม, มือนจะยิ่งเครียดใหญ่แล้วมันจะต่อต้านแล้วมันจะทําให้ยิ่งมีปัญหาตามมาเวลาที่จะปฏิบัติข่าต่อไปแล้วบางวันถ้าเรารู้สึกว่ามันนั่งไม่ได้จริงๆก็อ้าวถฝืนเต็มที่แล้วมันไม่ไปก็อ่านอนพักก็ได้แต่อย่านอนนาน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 วันไหนถ้ามันเป็นตามลมนึกแบโอ๊ยง่ายวันนี้นั่งสมาธิก็จิตก็สงบง่ายไม่ฟุ้งซ่านบางวันนั่งแล้วโอ้โหคิดแต่เรื่องนั้นคิดแต่เรื่องนี้มีแต่อารมณ์ฉุนเฉียวอยู่ตลอดเวลานั่งงานก็ไม่สงบนี่เราต้องดูสังเกตจิตเราว่ามันมันมีอย่างนี้เหมือนกันถ้ามันไม่ได้จริงๆก็เอาเปลี่ยนถ้ามันอยากจะฟุ้งซ่านก็ลองเอามาเปิดหนังสือธรรมะอ่านดูก็ได้มันอยากจะคิดแต่มไม่อยากจะสงบก็กจเจริญทางปัญญาแทน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 จิตใจของเราบางทีก็มีความรู้อารมณ์ไม่ดีมาปกคลุมจิตใจก็รู้สึกมีความท้อแท้หดหน้าละอาใจเบื่อหน่ายก็มีสติแยกมันออกจากจิตจิตคือผู้รู้ส่วนอารมณ์ต่างๆเหล่านี้มันเป็นเหมือนเมฆหมอกจิตเหมือนกับดวงอาทิตย์ก็ทําเป็นทําทําความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอนิจจังมันก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันเมื่อมันมันเป็นอยู่มันมาได้เดียวมันก็ไปได้ เราควรที่จะอย่าให้สิ่งเหล่านี้มันมาทําให้เราเสียหลักเราเคยทําอะไรของเราตามหน้าที่ของเราเป็นปกติแล้วก็ทําไปถึงเวลาว่าพระสวพมันก็สวดไปถึงเวลานั่งก็นั่งไปถึงแม้ว่าบางวันอาจจะไม่อยากจะนั่งอยากไม่อยากจะทําก็ทําไปเหมือนกับเรากินข้าวบางวันเราไม่อยากจะรับประานอาหารเราก็ยังต้องรับประทานพราเรารู้ว่าถ้าเดี๋ยวเราไม่รับประทานแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็หิว เหมือนการถ้าวันไหนเราไม่ได้ภาวนาแล้วเดี๋ยวผ่านไปเราจะรู้สึกว่าจิตเราถอยลงไปเหมือนกับเราเก้าถอยอยดังนั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างน้อยก็พยายามรักษาไม่ให้มันถอยหลงังเคยทําได้เท่าไหร่ก็พยายามทํามันไปจะได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ทํามันไปถึงเวลาต้องทําก็ทําไปเมื่อเราเลิกครั้งเราทํานานๆเข้าเราก็เกิดความทอ้อท้ามันไม่ได้ผลนะฮะ พระอาจาร์มีบายอย่างไงที <t <t <t <t pues <t nope> <t uh ่จะคล้องมันให้อยู่ฮะก็ในในในในพระอะไรในในหนังสือท่านก็สอนว่าเวลาเกิดความท้อแท้ก็ให้เราลึกถึงครูบาอาจารย์แล้วลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็เหมือนเราท่านก็เป็นคนธรรมดาสามัญมาก่อนท่านก็ต้องต่อสู้กับขืนอีกเหมือนกันแล้วดูศึกษาถึงวิธีของท่านว่าท่านทําอย่างไรท่านถึงไปได้ ก็ท่านก็ไม่ถอยท่านก็สู้ไปเรื่อยๆกูบาอาจารย์ทุกลูกตัวองค์นั้นก็สู้ไปเรื่อยๆท่านไม่ถอยท่านไม่หยุดท่านอาจจะพักบ้างท่านก็ไม่ได้แบบปฏิบัติแบบขั้นอุกิจทุกวันหรอกบางวันบางทีมันก็ต้องมีการพักบ้างเป็นบางช่วงเพียงแต่ว่าไม่พักแบบถลี่ถลายเลยเถิดไปทำเนื่องอื่นเลยอย่างลุงชาท่านก็เคยเล่าใหว่าท่านเคยภาวนาแล้วจิตสนุบในสมัยแรกๆอแล้วท่านดังไม่ได้ไปอยู่กับกูบาอาจารย์เนั้น แล้วท่านไปอยู่คนเดียวแล้วท่านไปทำโกรธอยู่สามเดือนยังไงไมปตามพอไปทำโกรธแล้วตอนช่วงนั้นก็ไม่ภาวนาเลยพ อ, อทำโกรธเสร็จจิตก็ไม่สงบแล้วทําไงก็ไม่มันก็ไม่กลับไปสงบเหมือนเดิมอีกแล้วท่านก็ลืมวิธีที่ทําให้จิตมันสงบเวลานั่งทีนรก็รนึกถึงไอ้ความสงบที่เคยได้แล้วก็ไม่ได้ก็เกิดความท้อแท้เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมา แต่ตอนหลังท่านก็จับประเด็นได้ว่าเคยสงบยังไงก็ทําอย่างนั้นท่านก็กลับมาบริกรรมพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวแวันหรือสีวันไม่ทราบที่ท่านบอกว่าไม่ไปคิดเรื่องอะไรเลยเดินเดินนั่งนอนในระยะบทสี่ก็เอาแต่พุโทโธอย่างเดียวเพราะท่านอยู่องค์เดียวท่านไม่ได้ไมีมเรื่องราที่ต้องไปยุ่งเกี่ยวใครพอมีพุโทโธแน่อยู่กับจิตตั๊บเดี๋ยวมันก็สงบ แล้วการภาวนานี้เราจะมีเครื่องวัดประมินตัวเองได้ไหมคะความสงบงไงความสงบในจิตความหนักแน่นในจิตใจความอิ่มเอิบจิตใจที่เกี่ยวเกิดขึ้นจากความสงบนี้มันจะเป็นผลเราพิเจาหนาดูจิตว่าเรามีความน่ะนม่ไม่ไม่อ่อนไหวหรือมีแรงเมื่อมีแรงกระทกหนี้มันจะไม่รู้สึกอะไรจะรู้สึกเฉยเฉยหรือจะเบากว่าเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้ใครพูอะไรนิดทำอะไรหน่อยก็ ปุ๊บขึ้นมาอะไรเงี้ยตอนนี้ก็อาจจะถึงเงี้อาจจะขึ้นแต่ก็แล้วมีมีตัวหน่วงไว้มีตัวดึงไว้หรืออะไรแบบนี้ยจิตใจจะมีความหนักแน่นมีจะมีความใช้คำว่าไม่ค่อยจะไปอะไรกับเรื่องราวต่างๆมากนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับมันเหมือนกับมีอะไรที่ดึงมันไว้คิดได้จะพูดถึงว่าเราเราติดผลที่เกิดขึ้น แต่เราไม่ได้ไม่ได้จดจําสิ่งที่ทําให้เกิดผลตรงนั้นใช่ใช่ไหมฮะบางทีเราก็เอ๊เคยเป็นแบบนี้เราถ้ามันไม่เป็นลจี้อยู่ตรงที่ผลที่จะเกิด<ช>แต่แต่ลืมไปว่าวิธีทําให้ผลผลเกิดเนี่ยทำอย่างไรใช่เพราะเวลาที่เราปฏิบัติใหม่ๆนี้เราจะทําแบบผิดผิ ด, ผดถูกๆไปแล้วพอวังจังหวะไปทําถูกเข้าแล้วมันสงบเข้าเราก็แต่แล้วก็ไม่รู้ว่ามันสงบได้ยังไงอืแล้วพอคราวหน้าเราจะทําอีกแล้วก็ไปคิดถึงไอ้ผ ล, ลว่าอ คราวนี้จะต้องให้มันสงบเหมือนคราวที่แล้วก็นั่งคิดแต่ไ้ผลอะ่ะยิ่งคิดมันก็ยิ่งฟุ้งซ่านใหญ่เสยเขาที่มันนึกนึกไม่ออกเลยครับว่าผลมันกมเกิดยังไงก็ไม่มีอะไรมันก็อยู่ที่สติอยู่มีสติ <c oughs> อยู่กับอยู่กับพุโทโธแล้ว อ, อยู่กับกรรมฐานอ <c oughs> ย่างใดอย่างหนึ่งที่เราใช้เป็นเครื่องกํากับใจแล้วก็สถานที่อาจจะสงบไม่มีอะไรมารบกวนอย่ตอตนแล้วเลือกอาจจะเป็นเพราะภาวะของจิตในวันนั้นมันไม่มีเรื่องมีราวมาก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 ไม่มีอะไรเข้ามารบ ก, กวนบางวันก็มีเสียงฟ้านร้องมีเสียงอะไรเข้ามารบ ก, กวนอันนี้มันเป็นภาวะภายนอกที่มันอาจจะมากระทบแต่ส่วนภาวะภายในก็อยู่ที่สติกับกับคําบริกรรมหรือกับอะไรที่เราใช้เป็นเครื่องถูกใจถูกคิดไว้ถ้าเรามีให้มันอยู่ได้ได้อย่างต่อเนื่องแล้วไม่ไปวับไปทิ้เครื่องนั้นเรื่องนะี้โอกาสที่มันจะสงบมันก็จะมีมาก อาจารย์พูดถึงมัชิิมาแต่ละคนไม่เท่ากันนะแต่ก็พวกเราเองนี่เราจะรู้ได้ไงว่าตรงนี้คือมัชิิมาของเราตรงนี้ก็ต้องลองก็เอาให้มันมากมากก่อนลมากมให้มันมากมากก่อนจนกระทั่งมันรู้สึกว่ามันมันมันมันเลยเถิดไปมันก็จะรู้เองอ่ะ แต่สมากมันจะอ่อนกว่าเลยมะชิมาไม่ค่อยเจอท่านคะเมื่อกี้ท่านพูดค่ะไว้เรื่องนิอรห้าถึงตอนที่มุ่งข้อสคือนอนแล้วมีข้ออื่นอีกอีกข้อนี่อีกข้อหนึ่งก็คือความโกรธใช่ไหมข้อเดยกอะไรความทุ่งสซ่านความทุ่งสซ่านก็อย่างนี้บางทีเราไปทำรองทางานมีเรื่องมีราวต่างๆเข้ามากระทบจิตใจเรา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 ตอนนี้มันหายไปในหมดแล้วพิจารณาอย่างหนึว่ามันเป็นมันเป็นอนิจจังเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราไม่ต้องไปกังวลกับมันอะไรมันจะเกิดเราก็ห้ามมันไม่ได้มันจะเกิดเช่นเราจะต้องถูกไล่ออกจากงานก็ออกงานดีซะอีกมันอาจจะได้งานใหม่ที่ดีกว่านี้ก็ได้อมมองไปในทางที่มันเป็นทางบวกใช่ไหมเขาบอกให้ให้พลิกอะไรวิกฤตให้เป็นโอกาสใช่ไหอนี่คือการมองการคิดแบบคิดในทางสร้างสรรค์ ทางทางปัญญาคิดนี้จิตมันก็สนุได้มันก็หายฟุ้งซ่านบางทีเราไปยึดไปติดกับสิ่งนั้นบุคคลนั้นมากเกินไปแล้วกลัวจะสูญเสียบุคคลนั้นไปเนี่ยก็เลยทําให้ฟุ้งซ่านใหญ่เลยนั่งสมาธินั่งไม่ได้แต่ถ้าคิดมาถึงเวลาเขาจะไปก็ให้เขาไปมันคนเรามันต้องจากกันอยู่ดีไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งจริงไหมเมื่อถึงเวลาอันไหนมันจะเป็นของเรามันต้องอยู่กับเราเน่ะอันไหนมันไม่ใช่เป็นของเรามันก็จะต้องไปดี คิดย่าใจเราก็สงบลงแล้วความจริงมันจะเป็นไงเราก็ไม่รู้อ่ะใช่ไหมแต่นี่เป็นอุบายวิธีมาแก้ความฟุ้งซ่านในจิตเราสัา้นๆแต่ความจริงเขาอาจจะอยู่ตล อ, อเราเข้าเไปตลอดเราอาจจะตายไปก่อนเขาก็ได้มันไม่มีอะไรแน่นอนในเรื่องนี้แต่ความความรักความอยากของเราเนี่มันไปทําให้เราสร้างสร้างความฟุ้งซ่านขึ้นมาในจิตในใจของเราเองแต่มันเองแต่ถ้าเราเป็นคนที่ทําสามารถทําใจให้เรารับกับสภาพต่ตางๆที่จะเกิดขึ้นได้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 มาแล้วมันก็ผ่านไปอย่างนี้มันก็จะทำให้ให้เราหายฟุ้งซ่านได้ท่า น, นก็บอกว่าให้เราใช้ปัญญาเข้าไปขี้ตรงไอ้จุดที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนั้นที่ทำให้จิตใจเราไม่สงบอันนี้ก็เป็นการขั้าเรียว่าใช้เหมือนกับปัญญาอบรมสมาธิไปในตัวใช้ปัญญาทำระ ง, งับความฟุ้งซ่านเพื่อให้จิตใจมันสงบลงอันนี้ก็นิวนที่เรียกว่าค่ามฟุงซ่า แล้วอันอีกต่างแล้มีอันเรื่ความโกรธความโกรนนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เวลาที่เรานั่งแล้วนั่งแล้วไม่สงบ ก, ก็โมโหตัวเองก็โมโหไปทําไมโมโหมันยิ่งมันก็ยิ่งทําให้เลวร้วายไปกันเดิมเนี่ยก็ต้องยอมรับความจริงก็ตอนนี้ทําได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้เราไม่ได้จะนั่งโนเดียวแล้วบรรลุปเป็นถึงพระนิพพานนี่นงล่ะเราก็ต้องนั่งไปงานต้องปฏิบัติไปงานวันนี้ได้น้อยหน่อยก็อย่าไปโกรธ เมือกับเราเป็นคนไปตกตกกลาเนี่ยบางวันก็ได้เยอะบางวันก็ได้น้อยก็เอาตามมีตามเกิดวันนี้นั่งไม่สงบก็อ่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังได้นั่งก็ยังดีไม่ได้ไม่ได้สมาที่ไม่ได้ความสงบอย่างน้อยก็ได้วิริยะได้ความอุสาหะความภาคเพียนได้ขันติความอดทนอดกั้นได้ความได้สัจจะคือความที่เราเอาเอาจริงเอาจังเราไม่หล่อแหละ เมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องปฏิบัติเราก็ปฏิบัติไปทําหน้าที่ของเราไปเพราะถ้าเรามามามัวหลออแหละวันไหนอารมณ์ไม่ดีก็ไม่ทําำก็เดี๋ยวมันก็ยิ่งเละเทะไปใหญ่มันก็ยิ่งไม่ไปไหนเราต้องมีความเขยัวยกขกวดข็นต่อการปฏิบัติของเราเราควรจะกําหนดเวล่มเวลาไว้ว่าวันหนึ่งหรือเดือนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอะไรสุดแท้แต่เราจะต้องปฏิบัติมน้อยเท่าไรเราก็ต้องทําไป ทำบุญทําทานแล้วต้องทํามากน้อยเท่าไรเราต้องทําไปจีนเราก็รักษาเรต้องรักษาไปถ้าเรามีความเข้มงวดกัดคำเราเรื่องมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะขยับไปได้เรื่อยๆช้าบ้างเร็วบ้างมันก็เหมือนกับขับรถเนี่ยรถบางวันไปเจอถนนที่มันโล่งมันก็ไปเร็วบางวันไปเจอรถาำมันติดมันก็ช้าหน่อยก็ขยับไปทีละนิดขยับไปทีละหน่อยก็ต้องว่าไปเป็นตามสภาพแต่จอย่าไปโมโหโทโซอย่าไปรีบร้อน เวลาอยากจะได้อะไรเร็วๆไม่ได้เร็วๆมันก็เกิดโทสะขึ้นมาเกิดความเกิดขึ้นมาหรือว่าเวลาจะนั่งแล้วเดี๋ยวเกิดกกนคนนู้นคน ύ, นี้มารบกวนเนี่ยคนนั้นทํานู่นทํานี่ส่งเสียงดังก็ไปโกรธไปโมโหเขาอย่างนี้ก็อาจจะต้องแผ่ความเมตตาให้อภัยเขาเขาไม่รู้เรื่องของเราอ่ะเขาไม่รู้ว่าเราต้องการความสงบเขาก็ใช้ชีวิตของเขาตามปกติของเขาไปนั้นเราก็ต้องทําใจกว้างๆไว้อย่าไปโกรธใคร อย่าไปหวังอะไรมากอย่าไปหวังผลมากขอให้สร้างเหตุไว้ก็แล้วกันแล้วผลมันจะมาได้มากน้อยก็ขึ้นอยู่กับเหตุกับตัตใจบางวันก็ได้มากบางวันก็ได้น้อยแต่รับรองได้ว่าถ้าเราทําไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดไม่ถอยเมท่กวันมันต้องถึงจนได้เนะ่ะแต่จะถึงช้าถึงเร็วนั่นเองถ้าเกิดเราอยากได้บุญเยอะๆอย่างนี้เราจะบาปไหมคะถ้ามันได้อยากความอยากมันอยากเกินฐานะของเรามันก็จะทําให้เราทุกข์ขึ้นมาเนี่ย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 เลยแต่ว่าเราต้องแยกแยะว่ามันเป็นเป็นเหมือนกับเป็นความฝันเป็นเหมือนเป้าหมายที่เราตั้งไว้เป็นจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปแต่ไอไอเครื่องที่จะพาเราไปนี่มันเป็นอะไรล่ะเป็นรถจักรยานเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือเป็นรถเก๋งมันก็ไปถึงช้าเร็วต่างกันใช่ไหมแต่เรามีรถเก๋งมันก็ต้องไปเร็วกว่าคนที่เดินไป ตั้งได้ก็คนจะตัง้งเพราะพระเจ้าสอนให้ชาวพุทธเรานั้นตั้งไปที่มรรคผลนิพพาน น, นั่นแหะเพราะนี่คือเป้าหมายของพุทธเจ้าที่มาสอนพระศาสนาก็คือต้องการให้เราทิพนจากความทุกข์ทั้งทั้งปวงแต่ว่ามันจะหลุดชาตินี้หรือจะหลุดอีกกี่ชาติเท่า น, นั้นเองบางคนก็หลุดชาตินี้ได้บางคนก็อาจจะเป็นโสดา ห, หรือเก็บชาติบางคนก็เป็นสักดิดาขางนี้ก็เหลือชาติเดียว ปัญหาคมนี้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในกามาพบอีกก็ไปเกิดบนสวรรชั้นพร ม, มโลกเแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ลในลําดับต่อไปมันก็เกิดขึ้นจากการบําเพ็ญทานศีลภาวานานีเท่านั้นเองทํามากทําน้อยทําถูกทําผิดมันอยู่ตรงนี้แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่ามีบุญวาสนาะได้เจอกัลยาณมิตรที่ดีหรือไม่ถ้าได้เพื่อนที่ดีที่เขาชวนเราปฏิบัติ เวลาเราท้อแท้เขาก็ให้กำลังจิตกำลังใจกับเราเขาทำเป็นตัวอย่างให้เราเห็นเช่นเขาเรานั่งได้ครึ่งชั่วโมงพขานั่งได้ชั่วโมงอย่างเงี้ยแ้วนั่งกับเท้าบางทีเขายังไม่ลุกแล้วก็ทำให้เราฮึดอะนั่งต่อสู้เขาไปถ้าไปเจอเพื่อนที่ไม่ดีเรานั่งได้ครึ่งชั่วโมงเขนั่งได้สิบห้าทีพอสิบห้าทีเขาลุกเดินหนีไปละเดี๋ยวเราก็ทนนั่งไม่ได้ก็ต้องต่างเขาไปอย่างพระวจนะสอนเราว่าถจะคบคนให้ครบคนที่เขาดีที่เขาเก่งกว่าเรา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 ยังไงดีทุกครั้งด้วามั้งขอเมื่อกี้บอกแล้วไงว่าวิธีหนึ่งก็คือการรับประทานอาหารพอประมาณหรือ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 นั่งแล้วมันง่วงนอนก็ให้ลุกขึ้นมาเดินจงกรมก็ได้หรือถ้าถ้ามันยังล่วงอยู่ก็ให้ไปเดินจงกรมที่มันน่ากลัวอย่างครูบาอาจารย์ท่านไปเดินจงกรมทางสีผ่านนี่อย่างงั้นมันก็จะไม่ง่วงไปนั่งแถวที่มันน่ากลัวมันจะไม่ง่วงเนี่ยบางคนก็ให้ไปนั่งในป่าช้าอย่างนี้หายง่วงเลยพอไปมันมีหลายวิธีแต่เราต้องพิจารณาดูว่าอันไหนมันเหมาะกับเรา เพราะว่าถ้ามันไม่เหมาะกับลรเราคนที้กลัวไปนั่งอยู่ในป่าชา้าเดี๋ยวก็กลายเป็นคนบ้าไปเลยกันท่านอาจารย์ค่ัเมื่อกี้ท่า น, al, านาบอกว่าบคนต้องลดอาหารเพื่อทำให้ภาวนาดีแต่บางครั้งภาวนาเนี่ย รู้สึกหิวจะต้องนึกถึงจะเลี่ยงจะทานหรือจะทานอะไรยนมันจะนกถึงแตอยู่การหวนั้นอยังไงก็อาจจะไม่เหมาะสำหรับเราอาจจะไม่ถูกใจกัเราอางนันก็ต้องให้าอิมก่อนใ่รายก็อิ่มพออย่างนี้ก็เอาอย่างมากก็ได้ก็เพียงแต่ไม่ไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว ไ ม, ไม่ให้อิ่มเ ก, <ป>กินไปแก็ไม่รู้สึกว่าหิวก็ถ้าหิวเราก็จะหมกมุ่แต่เรื่องว่าเราจะต้องทานอะไรอย่างงี้อย่างครูบาอาจารย์ท่านสอนไงใช่เวลาเราทานอาหารเนี่ยพอประทานเข้าไปแล้วเริ่มรู้สึกอิ่มปักให้หยุดแล้วดื่มน้ําเข้าไปเลยแล้วก็มันก็จะรู้สึกแน่นท้องแล้วมันจะไม่เวลาเวลาเสร็จแล้วมันจะไม่หนักมันจะไม่ทําให้เราง่วงเรานอน แต่ถ้ารู้สึกอิ่มแล้วยังขอของหวานเพิ่มขอนั่นอีกนิดหน่อยเดี๋ยวมันก็พุงกลางก็เป็นนักปฏิบัติมันจะต้องต้องกล้าหารต้องกล้าเสียสละกับไอ้เรื่องความสุขทางทางกินทางนอนเนี่ยที่เรามีปัญหากันส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องกินเรื่องนอนกันมันถึงไปไม่ถึงไหนกันต้องยอมนอนกับดินกินกับตายได้ แต่บางที่ต้องไปอยู่ตามวัดกรรมาฐานบ้างเพราะท่านมีไว้เพื่อที่จะมาช่วยเราในเรื่องภาวนาเรื่องกินเรื่องอยู่นี่มันจะไม่สะดวกไม่สบายแต่เราก็ต้องมีความมั่นแ น, แน่วแน่มั่นใจอยู่ในระดับหนึ่งถ้าจิตใจเรายังไม่แน่เราไปอยู่ในสถ า, านที่อย่างนั้นก็อาจจะเกิดโทษมากกว่าเกิดคุณก็ได้ก็คือเกิดความุู้กสานเกิดความคิดไปในทางที่ไม่ดีไปเสียเลยก็ได้ แาจะหาว่าทำ <c oughs> านี้ไปทำไมบ้าบอคอแตกกิเลสมันคิดได้ไปทุท ก, ทกวิธีทางนั้นก็ต้องระมัดระวังแต่ถ้าเรามีครูบาอาจารย์ที่เรามีความเคารพนับถือได้มันดีเพราะว่าบางทีกิเลสมันอาจจะคิดไม่ดีแต่เพราะความเกรงกเกรงใจความเคารพในตัวท่านมันก็จะทำให้กิเลสไม่กล้าออกมาคิดในเรื่องที่ไม่ดีได้แต่ถ้าเราไม่มีผู้ที่เรา เกรงกลัวเขาล้มนับถือเนี่บางทีกิเลสมันก็คิดไปได้ร้อยแปดเรื่องดีๆมันก็คิดเป็นเรื่องไม่ดีไปได้เหมือนกันดนั้นการมีครูบาอาจารย์ที่ดีได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีอาลาสายท่านเป็นเป็นเป็นผู้ที่คอยให้กําลังจิตกําลังใจเป็นผู้ที่คอยแนะนำแนวทางต่างๆให้แล้วก็มีเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ชอบสนใจในการปฏิบัติ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 ถ้าไม่จำเป็นก็ก็ก็ตัดไปเพราะมันเสียเวลาไปแล้วมันจะทำให้เราเดินถอยหลังเพราะเวลาละครนะจิตแทกจะสงบแล้วพอไปกินเลี้ยงกลับมาภาวนาไม่ลง <c oughs> หลายวันก็่จะภาวนาลงนะดูหนังดูละครฟังเพลงอะไรแล้วเนี่ยพยายามล ด, ลดมันไปมันต้องมันต้องตัดเนี่ยตัดด้วยแล้วก็ต้องสร้างด้วย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 แต่ไม่ทราบเรามันอาจาจะมีมีมีเชื้อเดิมอยู่มันก <c oughs> ็ความจริงมันก็ไม่เคยคิดถึงเรื่องศาสนาจนกระทั่งอายุต้อง25แนละ้ว25หลังจากที่เรียนจบแล้วนะั่นแหละตอนนั้นมีเวลาว่าแต่โดยธรรมชาตินะั้นมันเป็นคนชอบความสงบอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วไม่ค่อชอบไปเที่ยวเกเรไปกินเลี้ยงกินเล่าอะไรกักบเพื่อนฝูงอะไรนี้ไปบ้างแต่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 เรียนจบแล้วเราจะได้มีงานมีการทําำพอเราจบมาแล้วจิตมันเริ่มเป็นตัวของมันเองขึ้นมามันเริ่มคิดว่าโอ้จะทํางานอีกสามสิบปีสี่สิบปีมันก็แก่อย่างมากก็ได้เงินได้ทองมาก้อนึงนได้ลูกได้เมียแล้วเดี๋ยก็เดี๋ยวก็ตายไปมันก็มีแค่นี้เองชีวิตของคนเรามีเพียงแค่นี้หรือมันก็ถามตัวมันเองแล้วก็มันก็ไม่มีความสุขด้วยดูสังเกตอยู่เพราะมันต้องไปทํางานทําการหาเงานินหาทอง มีภาระมีอะไรต่างๆมาได้เงิมาก็ต้องใช้มันไปชู้คิดถึงสมัยที่เป็นเด็กๆสมัยที่เรียนหนังสือีนี่มันสบายมันไม่มีภาระอะไรมีแต่หน้าที่เรียนหนังสืออย่างเดียวแต่เราว่าเราก็จิตใจของเราถ้าไม่ต้องไปทําอะไรอยู่เฉยๆมันก็มีความสุขมันก็คิดว่าทําไมชีวิตของเราอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วอยู่แบบเฉยๆไม่ต้องทําอะไรไม่ได้ทําไมจะต้องไปดิน้นรนหาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้มา มันก็เลยทําให้มีคนแนะนำหนังสือมาให้อ่านก็นั่นคนะือธรรมะเล่มแรกแต่มันเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเป็นพวกพระที่อยู่ที่ประเทศศรีลังกาต้องไปคัดเอามาจากพระไตรปิฎกเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเช่นเรื่องกายรักเรื่องภาวนาเรื่องสติปัฏฐานอะไรอย่างเงี้ยดูเล่มแรกที่ได้ก็เขาเขียนเกี่ยวกับเรื่องอเรื่องการนิจจาความไม่เที่ยง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 แล้วเราก็เป็นถ้าเรามีใครเดือดร้อนแล้วเราก็ช่วยเหลืออยู่แล้วซึ่งศีลแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบฆ่าสตัดชีวิตไม่ชอบโกหกไม่ชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วมันก็เลยหอกก็เราขาดก็ถาดที่ภาวนาเนราก็เลยลองนีลองทําภาวนาดูทําภาวนาไปปั๊บมันก็มันก็ได้ไปเรื่อยๆได้ถือแรกเทียน้อยจนกระทั่งรู้สึกว่าเอ่อพอไปได้ก็เลยลองปฏิบัติอย่างนี้อยู่ปีหนึ่ง เมื่อปฏิบัติทังปีนี้ก็คิดว่าอตอนนี้ถ้าจะไปบวชก็คงไม่มีปัญหาอะไรเพรตลอดปีนี้แล้วก็อยู่แบบเหมือนกับนักบวชอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวติไปหาความสุขจากอะไรวันๆหนึ่งก็มีแต่อ่านหนังสือธรรมะนั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วก็ถือแล้วรับประทานอาหารแค่วันละมื้อเท่นั้นเองตอนนั้นกรับประทานไปก็เลยก็เลยตัดสินใจอ่ะบวช ก็เลยได้ไปบวชที่วัดบวอรพอไปอยู่ที่วัดบวรก็มีคนแนะนําที่วัดสาบ้านตาก็เลยไปเรินไปก็ก็ได้อยู่ที่นั่นอยู่เก้าพรรษาอยู่มาแล้วปีสองห้าหนึ่งแปดมีถึงปลาป 2, 5, 1, 8, ลายปีสองห้าสองหกก็แปดปีกว่าเกือบเก้าปีแต่ถนับรรษาก็เก้าพรรษาด้วยกันอยู่ที่นั่นก็ไม่ได้ออกไปไหนเลย กลับมาเยี่ยมบ้างอยู่สองครั้งนั่นเอระยะเวลาเก้าปีสปีกว่ามันจะไปไหนไม่ได้เดินทางไปไหนบวชชีวิตนักบวชยังไม่ได้เดินทางไปไหนเนยะพอพอมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้ไปไหนเหมือนกันเคยขึ้นไปเชียงใหม่อยู่ยครั้งหนึ่งมีคนเข้าไปทอดทอดกระถินก็ชวนไปนั่งรดเที่ยวด้วยนะก็ไปก็ เ, เห็นนั่นละไม่ได้ไปไหนเลยอะไรชวนไป mm hmm. ก็ไปอยู่ครั้งเดียวเท่านี้นนน ที่เดินทางไกลได้ไปทุ ด, ดงไหมค่ะไมได้ไปทุ ด, ดงพอดีที่อยู่ในวัดนั้นมันก็เป็นที่คล้ายๆกับที่เราสามารถบําเพ็ญได้เพราะการความการที่ไปทุ ด, ดงนี่ส่วนหนึ่งก็คือเพื่อให้เราอยู่ห่างไกลจากภารกิจการงานต่างๆที่ไม่ใช่งานภาวนานี่หลวงตาท่านครับพยายามส่งเสริมเรื่องภาวนาอยู่แล้วถ้าพระเองที่ต้องการภาวนาท่านก็จะไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการงานต่างๆ ท่านส่งเสริมเต็มที่ท่านถึงเน้นในเรื่องส่งเสริมเรื่องการ อ, อกอาหารเนี่ยเวลาอดอาหารก็ไม่ต้องมาไปบินตะบายไม่ต้องมาทํางานเกี่ยวกับงานส่วนกลางเช่นช่วยทําล้างล้างถ้วยล้างชาหรือทำอะไรต่างๆก็ไม่ต้องทําปัดกวาดก็ไม่ต้องมาปัดกวาดกับหมูคณะปัดกวาดแเฉพาะที่พระของตนเองทั้งวันก็มันก็ทําแบบนั้นการภาวนามันจะต่อเนื่องเราไม่ต้องมาเสียเวลา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 เนีย่ยถ้าเราเราบางเพลินไปเรื่อยๆมันเราจะมีปัญญาเข้าบอกฝังอยู่ในจิตในใจของเราไว้ต่อสู้กับกิเลสที่มันจะเกิดขึ้นมาแล้เรายิ่งได้ได้ยินได้ฟังจากผู้ที่มีประสบการณ์จากการปฏิบัติโดยตรงเราจะก็เรื่องจิตนี่มันทําให้เราไม่ต้องเสียเวลามากไม่ต้องงงทางมากพ อ, อกมาถึงตรงนี้ปัก็รู้จะต้องทําอะไรต่อไปถึงตรงนี้ก็ทําอะไรต่อไปก็ทําของเราไปเรื่อยๆ ถ้าไม่มีนี่เราจะต้องมาถึงนี้เราจะจินตนาการละให้เราถึงตรงนี้แล้วเนะี่ยเราต้องทํานี่บางทีมันผิดละมันลงไปได้คนที่ไม่เคยเนี่ยมันจะหลงทุกคนเนะี่ยเพราะว่ามันทำแล้วมันจะยึดทําทางก็จะยึดเนี่ยทําทางแล้วก็อยากจะทําทางเยอะๆไม่เข้าใจว่าการทําทางเพื่อจะส่งให้เราเข้าสู่การรักษาศีลใช่ไหมเราคนรักษาศีลก็ไม่เข้าใจว่ า, าทํารักษาศีลเพื่อจะส่งให้เราเข้าสู่การภาวนา บางทีรักษาศีนก็ โ, โหมัวมัวแต่รักษาให้มันสะอาดบอยสุดธิ์จะทำอะไรนิดๆหน่อยๆก็กลายเป็นความกังวลไปหมดว่าผิดศีนหรือเปล่าอย่างนู้นหรือปอมลอปมันก็เลยทําให้ใจิตใจเกิดความกังวลขึ้นมาแทนที่จะเกิดความสงบถราภาวนาได้เป็นสมาธิแล้จิตสงก็ติดอยู่ในสมาธิเองไม่อยากจะออกมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดแล้วมันฟุ้งซ่ามันไม่สงบแต่ถ้าไม่คิดไม่พิจารณา ม, มันก็จะไม่เกิดปัญญาขึ้นมา เนี่ยมันก่อนกินทานศีลภาวนามันเป็นเครื่องสนับสนุนกันมันเป็นเหมือนขัน้นบรรดเมื่อเราทําทานแล้วเราก็ควรที่จะก้าวเข้าสู่ขั้นศีลต่อไปเมื่อเข้าสู่ขั้นศีลก็ควรจะบำภาวนาแต่บางทีมันอาจจะไปพร้อมๆกันเลยก็ได้ไม่ได้มาเพราะว่าต้องรอปีสองปีแล้วก็ขึ้นถึงขั้นอย่างนี้แต่หมายถึงว่าถ้าเรามีทานแล้วเร า, เร า, เราพร้อมที่จะก้าวเข้าสูส่ศีลได้เราก็เข้าไปเลยศีลห้าได้ก็เข้าไปศีลแปดได้ก็เข้าไป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 ให้เห็นว่ามันเป็นสภาวะธรรมอย่างนึ่ไม่ไม่ไม่มีตัวไม่มีตนเราส่วนใหญ่มักจะคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราความคิดนี้เป็นเราเวทนาที่เป็นเราแต่ความจริงๆนี่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นของมันเองโดยธรรมชาติเรื่อร่างกายนีมันเกิดเกิดขึ้นจากการรวมตัวของดินน้ำลมไฟเข้ามาเวทนามันก็เกิดขึ้นจากการสัมผัสต่างๆร่างกายของร่างกายเรียกกายเวทนา ส่วนจิตเวทนามันก็เกิดจากเกิดจากความคิดปรุงแต่งถ้าคิดไปในทางยี่งใหญมันก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาถ้าคิดไปในทางธรรมะมันก็เกิดความสงบความสุขขึ้นมาสิ่งเานี้นเราพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วก็จะเข้าใจเข้าใจหลังจากรู้จักวิธีปฏิบัติกับมันแล้วมันก็ปล่อยวางไปพอเข้าใจแล้วมันก็ปล่อยวางไปแล้วมันก็ไม่มีามัน ม, ม, มันก็ไม่มีปัญหาอะไรกับมันต่อไป มันจะเป็นยังไงเราก็รู้ทันมันหมดแล้วเราไม่ได้ไปหวังอะไรจากอันรหลังจากเราเราเกี่ยวข้องกับใครกับคนนี้ยเราก็รู้ทันก็หมดแล้วเขามีอยู่สามทางเขาจะอยู่กับเราหรือเขาจะแยกกับเราเนี่ยอเนี้ยสองทางแล้วก็รู้อยู่ก่อนนะแล้วเราก็พร้อมที่รับทั้งสองทางเขาจะไปก็ไปเขาจะอยู่ก็อยู่ใจเราก็ไม่วุ่นวายใจของเราก็สงบแต่ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงอันนี้บอกโอ้ยก็อเอาทางเดียวคือเขาจะต้องอยู่กับเราไปตลอด เขาหนีจากเราไปไม่ได้เงี้ยพอเกิดมีความรู้สึกว่าเขาจะไปเนี่ยมันจะต้องวุ่นวายใจขึ้นมาเนี่ยเราต้องเข้าใจความเป็นจริงของธรรมชาติแล้วต้องยอมรับของมันได้เช่นเวทนาก็มีอยู่สามชนิดมีมีสุขมีทุกข์มีไม่สุขไม่ทุกข์มันก็วนกันไปเวียนกันมาอย่างเนี้ยมันจะเป็นยงไงเราก็รับมันเราไม่ต้องไปวิ่งเข้าไปหามันเช่นเวลามีความสุขก็อย่าไปอยากให้มันอยู่ก็เราไปนา น, านๆว่าเดี๋ยวมันเราก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องปเปลี่ยนไป เวลามีความทุกข์ก็อย่าไปอยากอย่าไปอยากให้มันหายไปเมื่อมันเมื่อยังมันยังอยู่ก็ให้มันอยู่ไปรู้ว่าเดี๋ยวมันก็หายไปกําหนดรู้ไปตามความเป็นจริงของมันในในขณะปัจจุบันนี้ตอนนี้สุขก็รู้ว่าสุขตอนนี้ทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์แต่ใจไม่ต้องไปเกิดความอยากอย่งอย่างได้อย่างหนึ่นี่คือวิธีปฏิบัติแต่จะทําใจให้อยู่แบบในนี้ได้ก็ต้องฝึกทําสมาธิอยู่เรื่อยๆ การทำสมาธิก็คือการทำใจให้เป็นอุเบกขาแต่มันจะเป็นอุเบกขาได้ได้ช่วขณะที่มันอยู่ในสมาธิแต่ที่นี้เมื่อออกมาแล้วเราเราเราู้แล้วว่าการทำให้มันเป็นอุเบกขาได้ไงที่เราจะให้มันอยากอยู่อย่างนั้นได้เราต้องอาศัยปัญญาในขณะที่มันไม่ได้อยู่ในสมาธิเพราะจิตมันจะออกจากอุเบกขาทันทีเวลามันไปสัมผัสกับสุขเวทนามันจะวิ่งเข้าหาไปเจอทุกเวทนามันจะวิ่งไป เราต้องพยายามดึงมันไว้เวลาไปเจอสุคเวทนาก็ให้มันดึงมันไว้อย่าไปอย่าวิ่งเข้าไปหาเวลาเจอทุกเวทนาก็อย่าไปวิ่งอย่างนี้มันพยายามทําใจให้เฉยเมื่อเราอยู่ในสมารพิถ้าเรายังควบคุมไม่ได้ก็อาศัยพุโทโธไปก็ได้ในขณะนั้นแล้วเดี๋ยวมันก็เหตุเราต่างๆเรื่องราวต่างๆมันก็ผ่านไปเช่นเราเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเงี้ยสมมติเราเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยไปทําอะไรไม่ได้มีมีเวทนาอย่างเงี้ย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 แต่ถ้าเรามีปัญญาบอกว่าอย่าแก่งการแก่งของจิตนี้เป็นความทุกข์มันรู้เวลาจิตมันสงบแล้วเพะจิตก็เพิ่มนี่มันความทุกข์ทั้งนั้นอ่ะก็เพิ่มเพราะความอยากก็เพิ่มเพราะวิภาวะตันหาหรือก็เพิ่มเพราะภาวะตันหาอยากมีความสุขก็เป็นภาวะตันหาอยากหนีจากความทุกข์ก็เป็นวิภาวะตันหาแล้อยาคือแล้วเหมือนจะอยากจะหนีจากทุกข์ว่าสุขไม่ค่อยได้คิดถึงรคับ อาจจะไม่คิดแต่มันมันเป็นโดยธรรมชาติไปโดยที่เรามารู้สึกตัวความสุขนี้เราทุกคนก็ก็อยากจะได้กันนะั้นแต่ความสุขนี้พูดถึงความเป็นความสุขของเวทนานะอันนี้มันไม่ได้สุขที่เกิดจากความสงบของจิตความสุขความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตด้วยสมาธิก็ดีด้วยด้วยปัญญาก็ดีที่เรียกว่าเป็นวุฒินตินี่มันมันเกิดจากการที่ทาจิตให้นิ่งให้นิ่งเมตงกัน ความสุขที่เกิดจากสุขทางเวทนานี้หมายถึงเวลาเราเห็นอะไรเห็นภาพที่เราถูก อ, อกถูกใจจิตเราก็ปรุงไปในความสุขเกิดความยินดีขึ้นมาอันนี้มันเป็นความสุขที่มันเกิดดับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุการณ์ปัจจัยไต่สุขเหล่านี้เราต้องระมัดระวังไม่ไปหลงไปยึดไปติดมันเดี๋ยความทุกข์ที่เกิดจากการเห็นหรือได้ยินเสียงที่ไม่ถูก อ, อกถูกใจก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา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 ให้มันไม่ไปหลงกับอะไรทั้งสิน้นก็ต้องตัดต้องปล่อยต้องวางสรุปลงว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราอสัพเพ昙มานัสตานาตัวเปล่าแล้วก็ไปตัวเปล่าอย่างอยากไปเสียดายมันเอามาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแบบฉบับที่พระเจ้าได้สรงบางเพ็ญมาพระเจ้ามีสมบัติมากน้อยแค่ไหนก็สละเอาบวช แล้วก็บำเพับทานกับศีลสมาธิปัญญาหรือท่านเอปฏิบัติได้มากน้อยเท่าไหร่มันก็จะมันก็จะเสร็จเร็วสร้างบ้านเนี้ยสร้างกุฏิหลังเนี้ยถ้าเราวันหนึ่งมาเคาะต่อปูรักสองสามตัวแล้วก็หยุดเนี้ยอีกสิบปีมันก็ไม่เสร็จใช่ไหมแต่ถ้าเราทําทั้งวันทั้งคืนนี่วันสองวันมันก็เสร็จแล้วการภาวนาการบําเพ็ญก็แบบเนี้ยถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องไม่หยุดไม่หย่อนเนี่ยไม่นานหรอกเดี๋ยวเดียวเท่นี้ จะทให้พุทธการเขาเขาเขาบรรลุกันเป็นกันว่าเล่นเนี่ยแต่พวกเราส่วนใหญ่เสียดายอย่างอื่นมากกว่าไปทําอย่างอื่นมากกว่าอลองลองพิจารณาดูแต่ว่าเวลาที่เราให้กับการภาวนากับเวลาที่เราไปทําอย่างอางื่นนี่มันมันเท่าไหร่ถ้าผล ม, มันก็จะมันก็จะฟ้องอยู่ในตัวของมันนั่นแหละ มีไรไหมไม่เหมือกนการให้พรนะไมครับ <c oughs> อยากทาวอะลิกวาหาภุราปาริกุูเรนติสาคารเอวามีวาอิโตตินังเตตานางอุปกรารปฏิอิขิตังปฏิตังตุ้มหังคิดเป็นนึงวะสนิทเจตุสพัพพิภูเินตุสังกปา ฉ like like ันโทปนญาระโสยถามณนิโติระโสยถาสพีติโยววาชนตสพะโรโวินาตมาเตปวตวันตาโยสุขีทีคโกภะภิวาตนสีดุสสะหิจังุทธาปจายโนจัตตารโธมมาวทานติอายุวันโอสุขังภาลังสาธุ ก็ดีนะก็ <c oughs> ขอให้ทำไปเรื่อยๆทำมากทำน้อยก็ขอให้ได้ทำเราจะได้ไม่ไม่เสียเวลาที่ได้มาเกิดนะเวลามาแล้วก็มีความสุขทุกครั้งได้ <c oughs>